อันหนึ่งคืออีกในหนึ่งเนี่ยนะบัดนี้เราผู้เดียวเนี่ยเป็นผู้โอวาทสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายด้วยโอวาทานุศาสนีแต่เมื่อเราปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะพระธรรมขันแปดหมืสี่พันธรรมขันจักโอวาทท่านทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งนะถ้าพระธรรมขันแต่และธรรมขันท่านบอกว่าเท่ากับพระพุทธเจ้า แต่และองค์แต่และองค์พันพระพุทธเจ้า8ปดหมี่พันองค์เหล่านี้จากโอวาทสั่งสอนเธอเพราะพระธรรมขันทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันจักทากิจตามโอวาทานุศาสนีตามโอวาสแนะนําสั่งสอนท่านทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยถ้าบุคคลจะเคารพพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้า เพราะบุคคลที่เคารพในพระพุทธเจ้า <at> ในพระพุทธพจน์ทั้งหลายบุคคลนั้นชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้าพันพระธรรมวินัยเหล่านี้นี่แหละที่พระองค์สอนเอาไว้ว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยธรรมและวินัยทั้ง8 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์จักเป็นาศาสดาของท่านทั้งหลาย นะปีดกทั้งสามจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายนิกายทั้งห้าจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9ก้าจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายพระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันระธรรมะขันจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงไปเพราะฉะนั้นพระองค์จะเลยบอกว่าไม่ต้องนะไม่ต้องไปบอกมีความคิดว่า บัดนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วหรือพระองค์ดับขันปริณิพานไปแล้วเราไม่มีศาสดาแล้วก็เหลือเพียงแต่คำสอนเท่านั้นบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนทั้งหมดนี่แหละเป็นศาสดาเมื่อพระองค์นั้นล่วงไป เมื่อรูปของพระองค์ดับไปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของพระองค์ดับไปธรรมและวินยัยพระไตรปิฎกทั้งมวลนั่นแหละจะเป็นศาสดาเพราะถ้าเราระลึกว่าพุทธังสรารนางังคัจฉามิเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมสามีผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมพระธรรมราชาผู้เป็นเจ้าของแห่งปิฎกสาม ผู้นนะผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมวินัยผู้เป็นเจ้าของแห่งนิกายห้าผู้เป็นเจ้าของแห่งคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าผู้เป็นเจ้าของแห่งพระธรรมทั้งแปดหมี่พันพระธรรมมาขันอันผู้ทางทจารนังข้าฉามิก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้แต่พุทธพจน์บทว่าอิติปิโสพุทธคุณบทว่าอิติปิโสพะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นพุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้ก็คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะบัญญัติธรรมและ ว, วินยัยเมื่อบัญญัติธรรมและ ว, วินัยครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นก็ล่วงรับดับไปพระธรรมวินัยนั่นแหละสำเร็จกิจเป็นองค์แห่งพระศ า, าสดาตามโอวาทตามแนะนํะนาตามคําสอนเพราะฉะนั้นผู้ใดระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้บุคคล น, นั้นชื่อว่าระลึกถึง พระพุทธเจ้าบุคคลนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเขาอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าคือพระพรทุทธโพธ่พระองค์ตรัสเอาไว้เนี่ยนะพันคําของผู้ใดก็ชื่อว่าเป็น ตัวแทนของผู้นั้นหรือเป็นตัวของผู้นั้นนั่นเองพระพุทธพจน์ทั้งหลายจึงเท่ากับพระพุทธเจ้านี่ยนะมันบุคคลผู้เคารพพระพุทธพจน์ทั้งหลายก็ชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่เคารพพระพุทธพจน์ก็ชื่อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เคารพในพระพุทธเจ้าเขาจะเคารพในพระธรรมได้อย่างไรเมื่อไม่เคารพในพระธรรมจะเคารพในผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเหล่านั้นได้อย่างไรเขาจะเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมต้องระลึกไว้เสมอว่าพระธรรมวินัยทั้งหมดคือพระศาสดาพระศาสดาคือพระธรรมวินัยเพราะว่าที่พระองค์ดับขันธปรินิพานก็ดับรูปอ่นนะทิ้งรูปเหล่านั้นก็ไม่ถือรูปใหม่ทิ้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่ถือเอาเวทน า, ส, ญญาสังขารอ่นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใหม่ๆอีกเลยอ่นนะพระองค์ก็ฝากพระธรรมวินัย ที่เป็นผลของการสร้างบารมีที่เป็นผลของการบําเพ็ญพระพุทธกิจทั้งปวงก็คือพระธรรมกับพระวินยัยพระธรรมวินัยนี่แหลเะเรียกว่านับเป็นสองเรียกว่าธรรมกับวินยัยนับเป็นสาเรียกว่าปิดอกสามนับเป็นห้าเรียกว่านิกายห้านับเป็น9ก้าคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9้านับเป็น8ปดหมพันโดยพระธรรมขันธ์คำสอนทั้งมวลเหล่านี้สำเร็จกิจเป็นภาษาสดา สำเร็จกิจตามโอวาทตามธรรมสอนตามแนะนำํำพันถ้าผู้ใดระลึกถึงพุทธพจน์ทั้งหลายได้ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้พราะเราสังเกตดูว่าใจของเราอยู่กับพระพุทธพจน์ได้เท่าใดเราก็อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นเพราะพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งพระพุทธรูปไม่ได้แต่งตั้งอย่างอื่นไม่ได้แต่งตั้งพระพธาตุเป็นพระศาสดาไม่ได้แต่งตั้งพระธาตุเป็นศาสดา ไม่ได้แต่งตั้งพระองค์พระพุทธรูปหรืออะไรทั้งมวลเป็นศาสดาแต่แต่งตั้งธรรมวินัยเป็นศาสดาเพราะธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นตัวที่ะจะเป็นคำสอนหรือจะเป็นคุณธรรมที่จะนำให้สัตว์นั้นออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นอย่างอื่นๆเนี่ยเธอว่ามันไกลแล้วก็อ้อมไม่ใช่ผลผลิตของการสร้างบารมีของพระองค์ตรงๆผลผลิตของการสร้างบารมีของพระองค์ก็เพื่อพระาน เมื่อพระองค์มีพระยานต่างๆเหล่านั้นพระองค์ก็มาแสดงพระธรรมกับพระวินยัยหรือแสดงธรรมวินัยเป็นปิดกสามเป็นนิกาย 5. พระธรรมวินัยเหล่านี้นี่แหละคือาศาสดาของเราทั้งหลายระลึกไว้เสมอเถอะว่าเราใส่ใจในคําสอนได้เท่าใดก็ชื่อว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่าใดใส่ใจในคําสอนได้เท่าใดการใส่ใจในคําสอน เอาคําสอนมาใส่ไว้ในใจเจริญตามคําสอนเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมโดยเอาคําสอนมาใส่เอาไว้ในใจเจริญตามกระทําตามปฏิบัติตามเรียกว่าสุปฏิปันโนเรียกว่าปฏิบัติดีเรียกว่าปฏิบัติตรงเรียกว่าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะพระธรรมทั้งมวลของพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายสอนไว้อันเดียวเท่านั้นคือที่สุดแห่งทุกข์หรือเพื่อดับวัตทุกข์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปหนักใจไม่ต้องไปลำบากใจเราปรินิพานแต่เพียงผู้เดียวพันเหลือธรรมวิไนายเอาไว้เป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทที่หนึ่งนะซึ่งมีความหมายเท่ากับแต่งตั้งบัญญัติธรรมวิไนัยเป็นาศาสดาต่อไปพระองค์ก็บอกต่อไปอว่าดูก่อนอ น, นุ์บัดนี้พวกภิกษุเรียกกันและ ก, กันด้วยวาทะว่าอาวุโสฉันใด โดยล่วงไปแห่งเราไม่ควรเรียกกันฉันนั้นคือคือพันเตยเนี่ยยกให้พระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างสูงสุดเพราะฉะหากว่าเอาคำว่าพันเตเป็นต้นไปใช้กับคนทั่วๆไปก็จะกลายเป็นว่าเสมอเทียมเสมอกับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วอย่าเรียกกันและการว่าอาวุโส ว, ว่าผู้มีอายุนะ เพราะฉะนั้นภิกษุผู้แก่กว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าโดยชื่อหรือโดยโคตหรือโดยวาทะว่าอวุโสเรียกชื่อไปเลยก็ได้นะภิกษุผู้แก่กว่าเรียกเรียกผู้ที่บวชหลังเนี่ยนะไอ้คำว่าแก่กว่าหมายว่าผู้ที่บวชก่อนเรียกผู้ที่บวชภายหลังว่าเรียกชื่อตรงๆก็ได้เรียกโคตเรียกนามสกุลก็ได้หรือเรียกว่าโดยวาทะว่าอวุโสก็ได้ ภิกษุผู้อ่อนกว่าก็เรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายสมาเนี่ยนะมันเรียกว่าท่านผู้เจริญเนี่ยนะผู้ที่เจริญกว่าโดยโดยคุณคือการบวชเป็นต้นมันก็เรียกด้วยความเคารพมั้นแต่ว่าภิกษุผู้บวชก่อนเรียกชื่อหรือว่าเรียกโคตหรือเรียกใช้คําว่าอวุโสก็ได้อันนี้เป็นคําสั่งอย่างที่สองว่าเลิกใช้คําว่าอวุโสกแก่กันและการแบบแบบแต่เก่าแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะต้องใช้คําว่า น, นะผู้อ่อนกว่าเรียกผู้แก่กว่าว่าท่านผู้เจริญผู้แก่กว่าเรียกผู้อ่อนโดยเรียกชื่อก็ได้เรียกโคดไปเลยก็ได้หรือใช้วาทถ้าว่าอาวุโสก็ได้นี่ต่อไปเนี่ยนะโอวาท 3, ที่สามที่สําคัญบอกว่าอานอนท้าสงปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างจงถอนเถิดโดยล่วงไปแห่งเรา น, นะอันนี้เป็น อโอว่าที่สามที่นับว่าสำคัญก็คื อ, อให้ให้อะไรถ้าสงไม่ได้บอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งนะถ้าสงปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างจงถอนเถิดโดยการล่วงไปแห่งเราเพราะนับบัตเล็กๆน้อยๆ้อยเนี่ยนะในหน้าสี่ร้อยสี่สิบบอกว่าสมหุสมหสมุหนาตุเมื่อจำงอยู่ก็จงถอนอธิบายว่าถ้าสงปรารถนาก็ถอนซะ ถอนถอนพถ อ, อนสิกขาบทไอคำว่าถอนสิกขาบทเนี่ยนะหมายถึงให้พระอริยสงฆ์นะถ้าหากว่าอริยมูพระอริยเจ้าทั้งหลายปรารถนาก็จงถอนแต่ก็เหมือนกับบอกว่าในมิลินทปัญหากล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าคำที่พระองค์บอกกล่าวสั่งสอนแบบนี้เนี่ยนะพระองค์ก็เหมือนกับพระองค์เนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าจากกักรพรรดิก่อนที่จะสิ้นพระชนก็บอกราชโอรสทั้งหลายว่าลูก สมบัติของพ่อนี่มีนักมีมากนะักเพราะถ้าลูกปรารถนาลูกกะตัดทิ้งไปบ้างแล้วปกครองเฉพาะส่วนที่เหลือก็เท่านั้นก็พอหรือเหมือนมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มีทรัพย์มากก็เลยบอกว่าก่อนจะสิ้นชีวิตก็บอกว่าลูกเอ้ยทรัพย์ของพ่อแม่มีเยอะเหลือเกินลูกถ้าหากว่าลูกเหนื่อยนักลูกก็บริหารแต่เล็กน้อยก็พอส่วนที่เหลือก็ตัดทิ้งไปเถอะไม่ต้องไปหนักใจหรอกถามว่า ราชโอรสทั้งหลายหรือบุตรเศรษฐีทั้งหลายเขาจะทำอย่างนั้นไหมผู้ที่ไฝ่เจริญทั้งหลายเขาจะทาอย่างนั้นไหมบอกไ ม, ม, ม่มีแต่หาเพิ่มมีแต่หาเพิ่มเพราะท่านเหล่านั้นอะไรต้องการความมั่งมียิ่งขึ้นฉันใดพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านเหล่านั้นอย่างไรเสียท่านก็ไม่ยอมเพิกถอนเสกขาบทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอน มีแต่ว่าทําอย่างไรจะปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ปฏิบัติให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่างอกงามในธรรมวินัยของพระองค์เท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ของผู้ปฏิบัติตามมีแต่จะปรารถนาอริยทรัพย์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันที่ท่านจะเพิกจะถอนนั้นเป็นไปไม่ได้เห็นไห ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทรงปรารถนาก็จงถอนเถิดอีกในที่สองเขบอกว่าเพราะท่านเห็นกําลังของพระมหากัะสปะแล้วโดยเหตุผลใดพระมหากระสปะไม่ยอมเพิกถอนสิกขาบทแน่นอนจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเมื่อตรัสว่าจงถอนเสียพระมหากระสปะจักไม่ถอนในเวลาทำรรสังฆทนานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเป็นคําวิกัปเป็นคําไม่แน่นอนเมื่อจํานงอยู่ก็จงถอน ไม่ได้บอกว่าเธอช่วยกันถอนซะแต่บอกว่าถ้าจำงแต่ว่าถ้าต้องการนะก็เหมือนกับว่าเนี่ยเอาอาหารมาให้อะอถ้าไม่กินก็เอาไปเก็บนะไอ้คนหิวเนี่ยจะเอาไปเก็บไหมล่ะนะนะก็พูดแบบเนี้ยถ้าไม่ไม่ทานก็ไม่ต้องทานนะว่าไงแต่เป็นคำพูดแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบเป็นคนสิ้นเยื่อใยไรไม่ตอกบอกไม่ก็หมายก็ว่าเป็นสิทธิเต็มที่ แต่นี้ต้องดูว่าคําเราเนี่ยแสดงกับผู้ใดถ้าไปพูดกับผู้ที่ไม่เอาสิกขาอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีประโยชน์นะไปพูดกับผู้อาที่เรียกว่ากแกลบอยู่แล้วเนี่ยอาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนั้นพระภิสุกแกลบทั้งหลายอย่างไรก็ต้องถอนอยู่แล้วทำมวิไนเพราะว่าไม่ถอนโดยนิติกรรมก็โดยพฤติกรรมนะคนที่เป็นแกลบคนที่เป็นคนรีบทั้งหลายคนที่ไม่เคารพน โอวาทานุศาสนีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เพิกถอนบรรบทบัญญัติของพระองค์โดยพฤติกรรมอยู่แล้วแต่ว่าโดยวินัยกรรมเป็นต้นอาจจะไม่กล้าแต่ว่าสมัยพระมหากษัตริยยังมีชีวิตอยู่เพราะพระมหากัตริยนั้นอย่างไรท่านก็ไม่ถอนแน่นอนเพราะถ้าพระองค์ถอนอถ้าพระองค์สั่งให้ถอนจริงพระองค์บอกว่า ร่วมใจกันถอนสิกขาบทซึ่งเป็นบนบรรัญัติเป็นคําสั่งแต่นี้เป็นคําพูดเชิงลองใจมากกว่าเออเนี่ยถ้าทรัพย์เหล่านี้ถ้าเธอบริหารไม่ได้นะเธอก็ตัดทิ้งไปบ้างก็ได้นะเนีย่ยนะเป็นคําพูดประเภทนี้นะหมายคก็ว่าเออท่านจะให้เงินเยอะแยะขนาดเนี้ยแม้ถ้าเธอไม่อยากได้มากเอาแต่น้อยก็ได้นะมันมีใครเขาจะเป็นแบบนั้นมีแต่บอกว่ามีเพิ่มอีกไหมเขามีแต่จะคิดกันแบบนั้นทั้งนั้นแหละว่างั้น และขณะเดียวกันเนี่ยคาว่าศิกษาบทเล็กน้อยเหล่านั้นเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอบัตทุกกฎและอบัตทุกพาสิท์อบัตทุกกฎและทุกพาสิทธ์ทั้งหลายชื่อว่าอาบัตเล็กน้อ ย, อยนะนะอบัตทุกกฎกับอบัตทุกภาสิท์เท่านั้นชื่อว่าเป็นอบัตเล็กน้อย ที่ที่พระองค์บอกว่าถ้าสงประสงค์จะเพิกถอนก็เพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยนั้นหมายถึงอบัตทุกกฎและทุภาษิดไม่ใช่ถอนมี่ไหนปิดกไม่ใช่แบบนั้นแต่ขณะเดียวกันพระมหากระสปะท่านอย่างไงท่านก็ไม่ถอนเพราะอะไรเพราะพระมหากระสปะได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายนะสุนาตุเมอาวุโสสังโคผู้มีอายุทั้งหลายขอสงจบังฟังข้าพเจ้า สิกขาบททั้งหลายของพวกเราที่เป็นส่วนของครหอขัดรู้ก็มีอยู่คือหมายความว่าสิกขาบทบางอย่างต้องาพาดพียงกับพวกครือขัดแม้ครหอขัดก็รู้อยู่คือสิกขาบทของพระเนี่ยนะหลายข้อยังต้องเกี่ยวเนื่องกับคารวาะยังต้องอาศัยคารวะและคารวะทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็รู้อยู่ว่านี้เป็นสิกขาบทของพระพิสุทั้งหลายซึ่งที่บอกว่า ข้อนี้ควรแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นสมณะสักยบุตรคือเครือหัสเนี่ยเขารู้นะว่าอะไรสมควรแก่สมณะสักยบุตรอะไรไม่คู่ควรไม่สมควรแก่สมณะสักยบุตรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะจะมาถอนสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าพวกเราถอนสิกขาบทเล็กน้อยเช่นอาบัตทุกขทุกกดอาบัตทุกพาสิทธิ์ทิ้งเสีย คนทั้งหลายก็จะว่ากล่าวเอาพวกเราได้ว่าสิษยาบทที่พระสมณโคดมบัญญัติเอาไว้แก่สาวกทั้งหลายสาวกเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ได้ชั่วขวัญไฟเรียกว่าปฏิบัติได้เหมือนเหมือนทูบว่า ง, งั้นเถอะเหมือนขวัญทูบขวัญเทียนขวัญไฟมันจะไป ม, มีประโยชน์อะไร